จงพาการตั้งใจฟังโดยสัจจ์เคารพเถิดหัวข้อที่เจ็ดผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกตบารีว่าปริเวกระระสังปิตตวาระสังอุปะสมัสสัจจะ นิทะโรโหตินิปาโปธรรมปิติระสังปีวัง <ang> แปลว่าบุคคลผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกรสแห่งธรรมเครื่องเข้าไปสงบกิเลสดื่มรสแห่งปีติอันเกิดแต่ธรรมแล้วย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปพึงทราบเรื่องวิเวกก่อนวิเวกคือความสงัดเท่ากับสงัดกายเรียกว่ากายวิเวก คือกายที่โดดเดี่ยวไม่คุกครีด้วยหมู่คณะเป็นผู้ปลีกตนออกไปอยู่แต่ผู้เดียวอย่างที่ในพระบาลีว่าเอโกบู ป, ปะปะโธอ ป, ปะมัโตอาตาปิปะหิตตโตเท่ากับปลีกออกอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียนเผาบาปดังนี้การเว้นทุจริตทางกายเรียกกายวิเวกก็มีโดยในยะนี้ แม้จะอยู่ในหมู่คณะแต่ไม่ทําทุจริตใดๆทางกายก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีวิเวกเป็นธรรมเครื่องอยู่ห่างจากวิติกกะรมะกิเลสสังัดจจิตเรียกจิตวิเวกท่านหมายถึงจิตที่อยู่ในฌาน8อย่างใดอย่างหนึ่งธรรมดาจิตปุตุชนมักครุกคลีอยู่ด้วยอารมณ์กิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ค่อยได้ปรีกออกไปเมื่อปลีกออกไปจากอารมกิเลสแล้ว เก็บตนอยู่ในธรรมคือสมาธิมีอุเบกขาและสติเป็นอุปการะอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าจิตตวิเวกจิตห่างเหินจากปริยุทธฐานกิเลสสงัดกิเลสเรียกอุปธิวิเวกหมายเอาพระนิพพานโดยตรงสงัดจากบาปอกุศลทั้งปวงจิตตวิเวกนั้นแม้จะสงัดจากกามแล้วก็จริงแต่ยังไปติดอยู่ที่รูปและอรูป เรียกว่ายังมีรูปราคะและอรูปราคะนอกจากนี้ยังสงัดได้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นส่วนอุปธิวิเวกนั้นสงัดได้เหินห่างได้ทั้งการรูปอรูปนอกจากนี้ยังเป็นการเหินห่างอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงอีกด้วยเหินห่างจากอนุสัยกิเลสทั้งปวงการมราคะที่ไม่แสดงฤทธิ์แก่ผู้มีจิตตวิเวกนั้นเป็นเพราะถูกข่มไว้ชั่วคราว หาใช้สิ้นไปไม่เหมือนโรคที่บรรเทาหรือระ ง, งับลงชั่วคราวด้วยฤตยาส่วนการมรรคะไม่แสดงฤิิแก่ผู้ได้อุปธิวิเวกเพราะถูกตัดขาดแล้วด้วยอนาคามีมัคไม่เกิดขึ้นอีกไม่กลับมาอีกรวมความว่าวิเวกสามนั้นเป็นธรรมปราบกิเลสสามชั้นคือกายวิเวกปราบวิติกรม ก, กิเลสจิตวิเวกปราบปริยุท ธ, ธานกิเลส อุปธิวิเวกปราบนุสัยกิเลสผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกทั้งสประการนี้ย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปคําว่ารสแห่งธรรมเครื่องเข้าไปสงบกิเลสก็ดีรสแห่งปีติอันเกิดแต่ธรรมก็ดีเป็นไวยพจน์ของพระนิพพานหรืออุปธิวิเวกนั่นเองบุคคลผู้มีวิเวกได้ดื่มรสแห่งธรรมอันเข้าไปสงบกิเลส มีปิติอันเกิดแต่ธรรมย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะกิเลสมีราคะเป็นต้นเป็นผู้ไม่มีบาปเพราะไม่ทำบาปเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีทรงปรารบภิกษุรูปหนึ่งมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องประกอบพระติสเทระเมื่อพระบระรมาศาสดา ทรงปรงพระชนมายุสังขารว่าภิกษุทั้งหลายอีกสเดือนข้างหน้าความจริงระยะตั้งแต่ปรงพระชนมายุสังขารถึงนิพพานนั้นเพียงสเดือนเท่านั้นคือกลางเดือน3ถึงกลางเดือน6แต่เมื่อนับโดยเดือนก็เป็นสีภิกษุทั้งหลายประมาณ700รูปทราบแล้วสะดุ้งใจมากทำสังเวทเกิดขึ้นแก่พระสกีนาศพส่วนภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนไม่อาจากลั้นน้ำตาไว้ได้ ภิกษุทั้งหลายจับกลุ่มกันเป็นพวกพวกปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรดีหนอครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อติสสะไม่ได้รวมกลุ่มเศร้าโศกกับภิกษุทั้งหลายอื่นเพราะคิดว่าพระศาสดาจะปรินิพานในอีกสี่เดือนข้างหน้าตัวเรายังไม่ปราศจากกิเลสเราควรรีบทำความเพียรให้ถึงพระอรหันต์เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนอยู่นั่นแหละดังนี้แล้ว เป็นผู้เดียวอยู่ในอริยบททั้งสภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงถามท่านว่าทําไมจึงทําอย่างนั้นท่านไม่ตอบภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสให้พระติสสะเข้าเฝ้าตรัสถามทราบความโดยตลอดแล้วทรงสรรเสริญว่าภิกษุผู้มีความรักในเราจงเป็นเช่นติสสะเพราะผู้ปฏิบัติธรรมชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งดังนี้แล้วตรัสว่า บุคคลดื่มรถอันเกิดแต่วิเวกย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปมีระยะดังพรนน า, นามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระติสสะได้บรรลุพระอรหัตผลแความสุขเพราะการอยู่กับพระอริยะพระพุทธภาสิทธาหุทัศนะมริยานังสันนิวาโสสะาสุขโข อัทตะเนนะภาลานังนิจเจเมวสุขีสยาภาละสังฆตัจารีหิทีฆะมัทานาโสจติทุกโขภาเลหิสังวาโสอมิเตนวะวสพธาทีโรจสุขะสังวาโสยาตีนังวสมาคะโมตัดสมาหิทีรันจะปัญญัจะพระหูสุตตัญจะ โทเรหะสีลังวัตะวันตมะริยังตังตาหิสังสัปพุริสังสุเมธังพระเชตานักะตะปัถังวะจันทิมาแปลว่าการได้เห็นพระอริยเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเป็นความสุขทุกเมื่อบุคคลจะมีความสุขอยู่ได้ยั่งยืนเพราะไม่ได้คบเห็นคนผ่านจริงทีเดียวการครบคนผ่านก่อให้เกิดความโศกตลอดกาลนาน การสมาคมด้วยคนพานเป็นทุกข์เหมือนอยู่ร่วมด้วยศัตรูส่วนนักปราศใครอยู่ร่วมด้วยก็มีความสุขเหมือนสมาคมกับหมู่ญาติเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงครบนักปราศผู้มีปัญญาเป็นพระโหสูตรมีปกตินำธุระไปวงเล็บเป็นคนเอางานเอาการมีวัดดีประเสริฐเป็นสัตบุรุษมีปัญญาดีเหมือนดวงจันทร์ครบท้องฟ้าฉะนั้น อธิบายว่าพระอริยเจ้าคือท่านผู้ประเสริฐเพราะละกิเลสได้เป็นชั้นๆยิ่งละได้มากก็ยิ่งเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงมากในหมู่ขฤุหัดเขาพยายามแสวงหาลาบยศเงินทองใครได้มากก็นิยมกันว่าดีมากมีคนนับหน้าถือตามากมีเกียรติในสังคมมากทางโลกนิยมกันอย่างนี้คือดีที่ได้แต่ในทางธรรมท่านถือว่าดีที่ละ คือยิ่งละได้มากเท่าใดก็ดีมากเท่านั้นพระอริยเจ้าท่านละกิเลสเป็นชั้นๆดังนี้ 1. พระโสดาบันวงเรียพระอริยบุคคลระดับที่หนึ่งละกิเลสได้3อย่างคือสักยะทิฏฐิความยึดมั่นในตัวตนวิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระตนตรยัยและในทางแห่งพระนิพพานพาาศีลพฏตปรมาตความรูปคำศีลและวัดในทางผิด ความประพฤติ ผ, ผิดในศีลและวัดเป็นต้นสองพระสกทาคามีคือพระอริยบุคคลระดับที่สองละได้เหมือนพระอาาริยบุคคลระดับที่หนึ่งเพิ่มคุณสมบัติคือธรรมราคะโทสะและโมหะให้เบาบางสามพระนาคามีคือพระอริยบุคคลระดับที่สาละได้เหมือนพระอริยบุคคลระดับที่หนึ่งและที่สองเพิ่มคุณสมบัติคือ ละกามราคะและปฏิฆะได้ 4. พระอรหันต์คือพระอริยบุคคลระดับที่สสูงสุดละกิเลสทั้งปวงได้เช่นรูปราคะและอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาการได้เห็นได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเหล่านี้ย่อมนำสุขมาให้อย่างแน่นอนเพียงแต่การได้เห็นอย่างเดียวก็เป็นมงคลเสียแล้วไม่ต้องพูดถึงการได้สนทนาและการอยู่ร่วม ส่วนการอยู่ร่วมกับคนพาลสนทนากับคนพาลประพฤติตามคนพาลให้ผลเป็นความทุกข์ความเศร้าโศกทั้งปัจจุบันและอนาคตนอกจากพูดชั่วคิดชั่วและทำชั่วด้วยตนเองแล้วยังชักนำผู้อื่นให้ประพฤติชั่วอย่างตนด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าคบคนพาลเหมือนกับควบศัตรูมีแต่จะให้โทษทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องโทษของการครบคนพาลและคุณแห่งการควบบัณฑิต ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วพอสมควรในหนังสือเรื่องสาระสำคัญแห่งมงคล38เล่มหนึ่งหน้าหนึ่งถึงหน้า62ท่านผู้สนใจต้องการรายละเอียดโปรดอ่านจากหนังสือเล่มดังกล่าวเถิดอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูแล้วเห็นว่าพระพุทธภาสิทธิข้างต้นนี้มีลักษณะเป็นคำอธิบายอยู่ในตัวแล้วจึงไม่สู้จาเป็นที่จะต้องอธิบายอีกให้มากนัก ขออธิบายบางประการพอได้ใจความคือขออธิบายคุณลักษณะของคนดีที่ทรงแสดงไว้ในที่นี้คือท่านผู้เป็นปราดวงเล็บคือธีระแปลว่าผู้มีปัญญาเป็นพระหูสูตรมีปกตินำธุระไปคือทาหน้าที่อย่างสมบูรณ์มีวัดดีและเป็นสัตวบรุษนักปราดคือผู้ฉลาดรอบรู้ในวิชาการสาขาใดาสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาอย่างเชี่ยวชาญเช่นปราชทางจิตวิทยาทางชีววิทยาทางปรัชญาทางาศาสนาเป็นต้นคําว่าผู้มีปัญญาและเป็นพระหูสูตรก็เป็นไวพจน์คําที่ใช้แทนกันได้ของคําว่าปราดได้คือคําทั้งสามนี้อาจใช้แทนกันได้เพราะโดยปกติคนไม่มีปัญญาและไม่เป็นพระหูสูตรย่อมเป็นปราดไม่ได้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 หากเขาพยายามทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่เขาก็ควรได้รับเกียรติว่าเป็นคนดีหน้าที่คือกิจที่มนุษย์จะต้องทำตามที่ตนมีความผูกพันอยู่ตามความเป็นจริงมนุษย์เรามีหน้าที่ตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่อย่างหนึ่งคือมีความสุจริตต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหน้าที่อันนี้เราต้องรักษาไว้จนตลอดชีวิต ที่เราเคารพรักนับถือบูชาพระพุทธเจ้าของเราอย่างยิ่งยวดก็เพราะเหตุว่าพระองค์ได้ทรงทําหน้าที่ของพระองค์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดพระมหากรรษัตริย์ที่ได้รับความจงรักภักดีจากราษฎรอย่างไม่เสื่อมคลายก็เพราะทรงทําหน้าที่ของกรรษัตริย์อย่างดีที่สุดและไม่รู้จักเสื่อมคลายเช่นเดียวกันพระสงฆ์สามเณรก็เหมือนกันที่ได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิก ได้รับปัจจัยบำรุงจากชาวบ้านก็เพราะเขารู้ว่าท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างดีหน้าที่จึงมีความสำคัญสำหรับมนุษย์มากสำคัญเท่าชีวิตหรืออาจเหนือชีวิตซะอีกปอมเปคนสำคัญคนหนึ่งของโรมันเล่ากันว่าคราวหนึ่งจะเข้าไปกรุงโรมมีคนห้ามว่าถ้าเข้าไปจะได้รับอันตรายแต่ปอมเปมีหน้าที่สาคัญมากที่จะต้องเข้าไปเขาบอกเพื่อนผู้หวังดีว่า เป็นการจำเป็นที่ฉันจะต้องเข้าไปแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีชีวิตอยู่นี่แสดงให้เห็นว่าเขารักหน้าที่มากกว่าชีวิตระหว่างหน้าที่และชีวิตเขายอมสละชีวิตเพื่อรักษาหน้าที่เนลสันแม่ทัพอังกฤษเคยประกาศแก่ทะหารของตนว่าไม่ต้องนึกถึงความรุ่งโรจน์ไม่ต้องนึกถึงชัยชนะหรือเกียรติยศไม่ต้องนึกถึงประเทศแต่ให้นึกถึงแต่หน้าที่อย่างเดียว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 ความไว้วางใจรวมความว่าสู้คนทําหน้าที่ไม่ได้งานหนักกับความสําเร็จนั้นเป็นของคู่กันแต่มีข้อยกเว้นว่างานนั้นจะต้องเป็นงานในหน้าที่ถ้าไปก้าวไายหน้าที่คนอื่นแล้วนอกจากจะไม่ประสบผลสําเร็จแล้วยังจะเป็นโทษเสีอีกด้วยข้อว่าผู้มีวัดดีนั้นคือความประพฤติดีมีกิริยามารยาทงามได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างดี จะพูดจาปราศัยหรือยืนเดินนั่งนอนก็น่าดูน่าชมรวมความว่ามีสมบัติผู้ดีส่วนข้อสุดท้ายเป็นสัตบุต ร, รนั้นเพราะมีธรรมของสัตบุต ร, รเช่นอิริโอตปะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาปราณีและเป็นคนรู้จักเหตุผลตนประมาณการและบุคคลตลอดถึงสังคมว่าควรทำอย่างไรในสถานการณ์อย่างไร บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมาท่านเรียกว่าเป็นคนดีควรแก่การคบหาสมาคมมีการอยู่ร่วมเป็นสุขให้ความบันเทิงจิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องนี้พระศ า, าสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณนะเวรุวะคามแขวงเมืองเวสาลีทรงปรารกเท้าส ก, กะเทวราชมีเรื่องย่อดังนี้สมัยนั้นพระศาสดาทรงพระประชวนด้วยโรคปขันธิกาพาดวงเล็บ พระบางคนเป็นโลหิตเมื่อโปรงพระชนมายุสังขารแล้วเท้าสกะเทวราชจอมเทพชั้นดาวดึงเสด็จมาทำการอุปถากรงนำพระบางคนไปเทเองโดยไม่ได้รังเกียจพระาศาสดาถามว่าทราบว่ากลิ่นของมนุษย์เหม็นยิ่งนักสำหรับเทพเหตุไฉนพระองค์จึงทรงทำเช่นนี้ได้เท้าสกะทูลตอบว่า กลิ่นศีลของพระพุทธองค์มีอำนาจรุนแรงกว่าดึงดูดพระองค์ลงมาโดยไม่ได้รังเกียจตอนเย็นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสรรเสริญทา้าสกะในเรื่องนี้พระศาสดาทรงทราบจึงตัดว่าเหตุที่เทา้าสกะทำอย่างนั้นเพราะความสเสน่หาในเราเพราะเราเป็นผู้มีปการะมากแก่เท้าเธอดังนี้แล้วตัดเล่าข้อที่เทา้าสกะถึงความเป็นเทา้าสกะหนุ่มเพราะได้อาศัยพระองค์ว่า สมัยเมื่อพระองค์ประทับอยู่นะอินทสารขูหาท้าสกะมาเฝ้าพร้อมด้วยเทพบริ ษ, ษัทหมู่ใหญ่เท้าสกะทูลถามปัญหาพระองค์พระองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาเป็นอเนกปริยายจนท้าสก้าได้บรรลุโสดาปฏิผลแล้วละจากความเป็นเท้าสก้าแก่ถึงความเป็นท้าสก้าหนุ่มเพราะฉะนั้นการที่ท้าสก้ามีความสเสน่หาในพระองค์อย่างยิ่งจึงไม่ใช่ของอัศจรรย์ ทิศสูทั้งหลายการได้พบเห็นพระอริยบุคคลก็ดีการได้สมาคมอยู่ร่วมกับพระอริยบุคคลก็ดีเป็นเหตุให้เกิดสุขส่วนคนพาลหางให้เกิดความสุขเช่นนั้นไม่พระบรมศาสดาปรารบเหตุนี้จึงตรัสพระพุทธพาศิทธว่าการได้เห็นพระอริยเจ้าการได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเป็นความสุขทุกเมื่อเป็นต้นมีระยะดังพรนนามาแล้วแต่ต้น วรที่15คือสุขวัควันานารวมแดเรื่องจบหมวด16ว่าด้วยสิ่งอันเป็นที่รักปิยวัคขวันานา 1. ความพลัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักพระพุทธภาษิตอะโยเคยุนชมัตตานังโยคัตมินจะอโยชยังอัทถังหิตวาปิยขาหี ปิเหตตานโยกินังมาปิเยหิสมาคันสิอปิเยหิกุทาจันังปิยานังอัทสนังทุกขังอปิยานันจะทัสนังตัดสมาปิยังนะ ก, กยิราถปิยาปายโยหิปาปโกคันธาเตสังนวิชันติเยสังนติปิยาปิยังแปลว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบ ไม่ประกอบตนไว้ในสิ่งอันควรประกอบและสิ่งอันเป็นประโยชน์เสียแล้วถือเอาอารมณ์เป็นที่รักวงเล็บภายหลังย่อมกระยิมต่อบุคคลผู้ประกอบตนไว้ในทางที่ชอบวงเล็บเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรคลุกคลีกับสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักไม่ว่าในการไรไรเพราะว่าการไม่ได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักก็ดีการต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็ดีเป็นความทุกข์ เพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะความพลัดพลากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นความทรมานชนใดไม่มีสิ่งที่รักและไม่เป็นที่รักกิเลสเครื่องร้อยรักย่อมไม่มีแก่ชนนั้นอธิบายสิ่งไม่ควรประกอบสำหรับบรรพชิตท่านอธิบายว่าได้แก่อโคจร6อโคจรคือสถานที่อันบรรพชิตไม่ควรไปเช่นร้านสุราสำนักหญิงโสเพณีเป็นต้น รวมความว่าสถานที่อันไม่เหมาะสําหรับวันพระชิตเรียกอโคจรทั้งสิน้นอันหนึ่งการประกอบตนในอโยนิสโสมนสิการท่านเรียกว่าประกอบตนในสิ่งอันไม่ควรประกอบเหมือนกันอนโยนิสโสมนสิการคือความคิดคําหนึ่งอันไม่ประกอบด้วยปัญญาคิดไม่ถูกตรงตามความเป็นจริงตัวอย่างเช่นสังขารไม่เที่ยงไม่งามเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนกลับคิดเห็นว่าเที่ยงงามเป็นสุขและเป็นตัวตน ส่วนการประกอบตนไว้ในโยนิโสมนสิการท่านเรียกว่าประกอบตนในสิ่งอันควรประกอบโยนิโสมนสิการคือการคิดอันประกอบด้วยปัญญาคิดถึงสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงไม่ใช่ตามที่มันปรากฏให้เห็นเพราะว่าบางอย่างเป็นความทุกข์แท้แต่ปรากฏให้เห็นเสมือนความสุขความไม่งามแท้แต่ปรากฏให้เห็นเสมือนของงามตัวอย่างเช่นร่างกายนี้ การรู้ถึงต้นตอของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันลุ่มลึกนั่นแหละคือโยนิโสมนสิการส่วนตรงกันข้ามเรียกอโยนิโสมนสิการการประกอบตนในโยนิโสมนสิการชื่อว่าประกอบตนในธรรมอันควรประกอบคําว่าละเสียซึ่งประโยชน์ในพระคาถานี้พระธัทถะาจารย์ย้ำอธิบายว่าได้แก่ละเสียซึ่งสิกขาสามคือ อธิศีลสิกขาอาธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาสิกขาทั้งสามนี้เป็นประโยชน์ของบรรพชิตตั้งแต่วันอุปสมบททีเดียวเมื่ออุปสมบทแล้วไม่ใส่ใจในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาแต่กลับไปสนใจในความรักและสิ่งอันเป็นที่รักอย่างนี้เรียกว่าละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นประโยชน์ถือเอาสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์ อธิศินนั้นคือศินในองค์มรรคได้แก่สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะแปลเป็นไทยว่าการพูดชอบการกระทําชอบและการเลี้ยงชีพชอบอธิจิตนั้นคืออริยมรรคในส่วนแห่งสมาธิได้แก่สัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธิแปลเป็นไทยว่าความพยายามชอบการตั้งสติชอบและการตั้งใจชอบอธิปั ญ, ญญานั้นคืออริยมรรคในส่วนแห่งปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิ het. และสัมมาสังกัปปะแปลเป็นไทยว่าความเห็นชอบและความดำริชอบบุคคลผู้ละสิ่งอันเป็นประโยชน์ดังกล่าวแล้วระยึดเอาสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์คือความรักหรือสิ่งอันเป็นที่รักประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบไม่ประกอบในสิ่งอันควรประกอบภายหลังย่อมกระยิมต่อบุคคลผู้ประกอบตนไว้ในทางที่ชอบในสิ่งอันควรประกอบพูดให้เข้าใจง่ายว่าผู้ดําเนินในทางผิดย่อมกระยิม คือพอใจในท่านผู้ดำเนินอยู่ในทางถูกแม้ในเบื้องต้นจะไม่เห็นแต่ภายหลังจะต้องเห็นพระพุทธองค์ทรงเตือนว่าไม่ควรคุกคีกับสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักอธิบายว่าไม่ควรเกลียดหรือรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ควรทำคือวางใจเป็นกลางวางเฉย อ, อยู่ด้วยเบกขายานสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์แต่ไม่รักไม่เกลียด ที่ส่งสอนไม่ให้รักไม่ให้เกลียดก็เพราะว่าการต้องพัดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักก็ตามการต้องประสบกับสิ่งที่เกลียดก็ตามล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิน้นเมื่อรักย่อมมีการต้องพัดพลาดจากสิ่งที่รักเป็นธรรมดาและเมื่อเกลียดก็ย่อมมีเวลาโอกาสได้ประสบกับสิ่งที่เกลียดนั้นเหมือนกันทั้งสองอย่างพ้นออกมาเป็นความทุกข์พ้นจากสองอย่างคือความรักและความเกลียดแล้วย่อมพ้นจากความทุกข์ คนใดไม่มีสิ่งที่รักและสิ่งที่ไม่รักกิเลสหรือเครื่องร้อยรัดคือตันหามานทิฐิย่อมไม่มีแก่คนนั้นเขาย่อมปร่งใจสุขใจอยู่เสมอเพราะไม่มีอารมณ์ทำให้ขุนมัวมีความสงบเย็นภายในมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยลาบยศสันเสริญสุขหรือเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกจิตใจผ่องใสยอยู่ด้วยธรรมตลอดกาลเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนาราม เมืองสาวัตถีทรงปราลร บ, บรรปชิตสามรูปมีเรื่องย่อดังนี้ในเมืองสาวัตถีมีครอบครัวหนึ่งมีสมคนด้วยกันคือบารดาบิดาและบุตรชายบุตรชายปรารถนาจะบวชแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตพ่อแม่รู้อัธยาศัยของบุตรแล้วช่วยกันรักษาอย่างแข็งแรงไม่เคยปล่อยบุตรไว้คนเดียวไม่คนใดก็คนหนึ่งต้องอยู่เฝ้า วันหนึ่งขณะที่บิดาออกไปข้างนอกมารดานั่งขวางประตูกรอได้อยู่บุตรชายขออนุญาตมารดาว่าจะออกไปถ่ายอุจจระเมื่อมารดาอนุญาตแล้วเขารีบออกไปโดยเร็วไปสู่วิหารขอบวชกับภิกษุทั้งหลายได้บวชสมประสงค์บิดากลับมาไม่เห็นบุตรจึงตามไปยังวิหารเห็นบุตรชายบวชเสียแล้วจึงบวช ด, ด้วยมารดาตามมาอีกเข็นบุตรและสามีบวชแล้วนางจึงขอบวชในสำนักภิกษุณี เมื่อบวชแล้วก็ไม่ได้บาเพ็ญสมณธรรมเยี่ยงสมณะที่ดีทั้งหลายมัวแต่นั่งคุยกันเช้าจนเย็นทุกวันทุกวันเป็นที่รำคาญของภิกษุและภิกษุณีอื่นๆต่อมาวันหนึ่งภิกษุหลายรูปได้กราบทูลเรื่องนี้แด่พระบรมศารรสดาพระพุทธองค์รับสั่งให้บรรพชิตทั้งสามเข้าเฝ้าตัดถามว่าทาไมจึงทำอย่างนั้นเขาทูลตอบว่าไม่อาจแยกกันได้พระพุทธองค์ตรัสว่า นั่นไม่ใช่ความเพียนของบรรพชิตเมื่อบทแล้วก็ไม่ควรจะคุกคีกันอยู่เหมือนขรือหัดดังนี้แล้วตัดพระคาถาดังที่ยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบเป็นต้นกิเลสเครื่องร้อยรัดย่อมไม่มีแก่บุคคล น, นั้นมีในยะดังพัณนามาแล้วในการจบพระธรรมเทศนาชนอื่นเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลมีโสดาปฏิผลเป็นต้น ส่วนบรรพชิตทั้งสามนั้นคิดว่าไม่อาจอยู่แยกกันได้จึงศึกไปครองเรือนตามเดิมอยังธรรมกตาสาทายสมันเตหิสันละเคตภาติ ทำมาบทจึงมีข้อคิดเยอะแยะมากถ้าได้ศึกษาได้ติดตามขอคําอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยตรงทั้งส่วนที่เป็นคฤหัสถและบรรญัตชิตทั้งส่วนเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องกิเลสเรื่องการลักกิเลสก็อธิบายขยายความไว้สำหรับผู้ต้องการปฏิบัติแม้จะเป็นเชิงนิทานแต่ว่าหัวข้อรม เป็นหัวข้อที่กินใจแล้วก็ทันสมัยอยู่ทุกยุคทุกสมัยแล้วก็บทธรรมที่นิยมกันมากที่สุดดังได้เคยกล่าวไว้แล้วในภาษาอังกฤษาาาภาษาหลายๆภาษาก็ไจะพิมพ์ธรรมบทไว้เป็นเล่มพกพาเล่มใหญ่เล่มเล็กขยายความเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นข้อเตือนใจ แม้ยังทํำยังละไม่ได้อย่างนั้นก็เตือนใจเตือนสติให้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเหมาะสมแก่ภาวะของตนเองทั้งส่วนคารืหัดผู้ต้องการมีความสุขก็ต้องอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมบรรพชิตต้องการที่จะดับทุกข์ก็ปฏิบัติตามใจศกขาดังที่ท่านว่ามาแล้วคือเป็นหน้าที่นั่นแหละที่ท่านย้ำเรื่องหน้าที่เนย S <S <an> เราพ่อพุทธทาหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่นี่ก็ไม่ท้องพูดอะไรมากนหน้าที่ใครมีหน้าที่อย่างไรนี่คนนั้นก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าตนอยู่ในสภาวะอย่างไรนี่ถ้าขรือหัดเาก็ทำหน้าที่ของเขาเนี่ยอย่างขรือหัดนี่แล้วก็ยังมีข้อเปลียกย่อยงไปขรือหัดที่ดีและไม่ดีนี่ขรือหัดที่ไม่ดี เขาก็ทหน้าที่ของเขาคือทาไม่ดีเนี่ยแต่ว่าผลมันก็รับต่างกันคนดีก็มีหน้าที่ทำดีผลก็เกิดขึ้นตามเหตุตามผลแต่ผู้ปฏิบัติก็มีหน้าที่ปฏิบัติปฏิบัติเรื่องอะไรอย่างน้อยก็เป็นเรื่องศีลถ้าเป็นโยมมาปฏิบัติก็ยกระดับขึ้นมาเป็นศีลแปดอย่างนี้หรือถ้า ผู้มาบวชเป็นสามนเนนก็ยกระดับขึ้นมาเป็นสินสนี่ถ้าพระก็ยกระดับขึ้นมาเป็น227เดนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังมีปัญหากันอยู่ถูกสอบกันอยู่ยปาติโมกข์ร้ข้อเอจ้าคณะเห็นว่าเป็นเรียกสอบเรียกอะไรกันมันก็จบไม่เป็นแล้วคือถ้าไม่ได้ทำหน้าที่โดยถูกต้องเนี่ยคือสำคัญว่ามันถูกนั่นแหละ แต่มันก็ซ่อนความผิดไว้มันหลงพ่อชาท่านว่าเ่ถึงตนจะยืนยันว่าผิดแต่มันผิดทรรมเนียมก็คือว่าผิดเหมือนกันเนี่สังคมเขาไม่ยอมรับทมเนียมหมูใหญ่เขาไม่ยอมรับเ่มันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมานสถานการทํทำหน้าที่ก็คือทำทั้งปรารพตนเองปรารพหน้าที่คือข้อปฏิบัติเน่อส่วนเกี่ยวข้องกับเราเ่ ว่าควรปฏิบัติอย่างไรที่ให้มันถูกต้องคือไม่ให้เกิดปัญหานั่นแหละคือหน้าที่นี่ถ้ามันมีปัญหามันก็ทำไม่ถูกหน้าที่มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้แล้วเมื่เกิดปัญหาขึ้นมาก็เป็นความทุกข์ทั้งแก่ตนและแก่คนอื่นด้วยแล้วก็เดือดร้อนทั้งตนและเดือดร้อนคนอื่นด้วยเนี่อยู้ยไงมันก็ไม่สงบนั่นแหละ เห็นไหมนี่มันกนานหลายปีแล้วเนี่ยมันก็สงบลงไม่ได้เพราะมันเหมือนกับมีเชื้ออยู่เนี่ถ้ามันถูกต้องคือตามหน้าที่ท่นใช้คว่าหน้าที่ความถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องมันมีปัญหาดังนั้นถ้าดูง่ายๆถ้ามีปัญหาแสดงว่ายังไม่ถูกต้องอะไรทำนองก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้นี่ยบางทีจะได้ปรับปรุงแก้ไขเนี่แม้การปฏิบัติภายในจิตใจของเราก็เช่นกันเนี่ย ถ้าปฏิบัติแล้วมันมีความทุกข์แสดงว่ายังไม่ถูกเท่าไหร่หรือถ้าเป็นตบะท่านว่าความทุกข์กันถูกแต่มันเป็นทรมานจิตเนี่ยแต่ว่าตามกิเลสมันสุขอยู่แต่มันมันไม่ใช่ทางแห่งความสุขจริงๆเนี่ยมันกับเอาทุกข์มาล่อให้เราสำคัญว่าเป็นความสุขหลังการปฏิบัติถ้าสุขลักษณะตามกิเลสมันก็ ไม่ถูกต้องตามธรรมแต่ถ้ามันเป็นการละกิเลสมันสบายใจขึ้นมานี่นี่มันสุขน้ากันนะสุขเพราะการละได้ลักษณะนี้ก็ถูกต้องถูกต้องตามหน้าที่คือละแล้วมันเบาใจนี่ก็เป็นความสุขระดับการละกิเลสเนี่อันหนึ่งความสุขเพราะถูกกิเลสหลอกลวงแต่มันสุขนํำไปเพื่อทุกข์ อันนี้การละออกไปได้มันสุขสุขไปหาความสุขที่ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนั่นก็เรียกหน้าที่บางทีมันก็มีความละเอียดสลับซับซ้อนอยู่ในตัวของมันเองเนี่ยต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมด้วย อ, อาศัยหลายๆอย่างเนี่ยแต่ใ น, นว่าผู้มีปัญญารู้จักพิจารณาเนี่ยมีโยนิโสมนัสิกานะการโยนิโสมนัสิการเป็นทางแห่งปัญญาเนี่ยคือการมีอาสนิ โยมณสิการเนี่ยก็คือการไม่พิจารณาโดยแยบขายเนี่ยมันก็ทําให้นําไปสู่ความเศร้าหมองหรือความทุกข์เนี่ยมันก็หัวข้อธรรต่างๆเนี่เราได้ยินได้ฟังมันเป็นสุตตะก็จริงแต่มันก็ได้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยนำไปประดับหรือไปดําเนินในการปฏิบัตินี่มันก็ทําให้เรามีสติมองเข็ญทมข้อเตือนใจเนี่ย สัญญาบางทีมันก็นำไปสู่ปัญญาได้เหมือนกันนี่พอทุกอย่างมันก็เป็นสัญญาเราได้ยินได้ฟังธรรมะเป็นข้อเตือนใจบางทีมันมีปัญหาขึ้นมานึกถึงธรรมคำสอนของท่านของครูบาอาจารย์นี่มันมาจากสัญญาแต่มันก็พัฒนาไปสู่การปฏิบัติจนละกิเลสได้เหมือนกันนี่ก็เป็นส่วนสำคัญของบทธรรมหรือธรรมบทออพอแล้ว